มาเรียนสามอลัลละกตอพอไหวไหมกอาตออยู่ไหนยก่อไหนพี่เลี้ยงว่าไงพี่เลี้ยงลุนนี้พอไหวไหมมีศรัทธาแล้วสติสมาธิปัญญานะ <c oughs> <c oughs> มีวิริยะไหมมีศรัทธาแล้ว <c oughs> มีศรัทธาอย่างเดียวไม่พอนะ มีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาเนี่ยครบบางที่ท่านสอนกรรมฐานท่านเริ่มด้วยศรัทนธะาศรัทธานี่ศรัทธาของคนรุ่นเรานีศรัทธาของปุถุชนนั้นเะป็นศรัทธากลับกรอกไว้ใจมันไม่ได้หรอกหลวงพ่อพยายามเริ่มต้นด้วยปัญญาครูบาอาจารย์ท่านเคย สอนไว้บอกคนเมืองปัญญามากเอาจุดนี้แหละมาเป็นจุดสตาร์ตสตาร์จากปัญญาหัดให้ดูจิตดูใจนี่แหละเกิดปัญญาเร็ววอย่างอื่นดู ก, กายเนี่ยกว่าจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายดูนานพรารูปมันอายุยืนแต่จิตมันอายุสั้นเกิดดับรวดเร็วมาก การที่เราเห็นจิตเกิดดับรวดเร็วนะก็เห็นมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์พอรู้ทันใจยอมรับได้บ้างเนี่ยใจมีความสุขขึ้นมาเข้าใจความจริงก็มีความสุขพอมีความสุขเนี่ยมเกิดศรัทธาขึ้นมารู้สึกเออแปลกดีนะคําสอนของพระพุทธเจ้าอสอนให้เรารู้ทันจิตใจตัวเองพอเรารู้ทันจิตใจตัวเองแล้วชีวิตเราเปลี่ยนเราเคยทุศีนเราก็มีศีนขึ้นมาเนะี่งที่หลวงพ่อบอกตั้งแต่วันแรก เรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตนกิเลสครอบงาจิตไม่ได้ศีลมันก็เกิดอัตโนมัติเรามีสติรู้ทันอยู่ที่จิตนะเห็นจิตมันไหลไปพอรู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นนะแล้วก็มาเห็นความเกิดดับของอารมณ์ภายในความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวอะไรๆชั่วคราวหมดเลย เห็นแล้วเห็นอีกนะสักเดือนเดียวเท่านั้นเองเนะลยเห็นว่ า, าชีวิตเราเบาขึ้นนี้พอมีผลของการปฏิบัติแล้คันนีศัทธามันเกิดนะนนคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยจะมีสองพวกนะพวกฉับฉวยมาลองลองอะไรพวกนี้พวกนี้ทนหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อก็ทนพวกนี้ไม่ค่อยได้ น, ะนี่พวกเรามาหัดกันจริงจรงจัง จ, ง จ, ง จ, ง จ, งจงันะมาดูกันเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วเราจะรู้สึกอัศจรรย์ใจ ว่าธรรมะแบบนี้ก็มีด้วยหรือพระพุทธเจ้าสอนสิ่งซึ่งอัศจรรย์เหลือเกินแค่เราเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆความทุกยังตกหายไปต่อหน้าต่อตาได้เลยนะเคยมืดเคยบอดเคยทุ้ศีลมาตลอดนะก็เริ่มมีศีลรักษาศีลไม่ใช่เรื่องยากเหมือนที่เคยเป็นจิตไม่เคยสงบเลยนั่งสมาธิยังไงก็ไม่สงบนี่มาฝึกรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดในใจรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวในใจอยู่ ใจใจกับสงบใจใจกับตั้งมั่นขึ้นมาได้ไม่ยากนะศีลก็เกิดง่ายสมาธิก็เกิดได้ง่ายนี่ธรรมะมีของจริงนะลองนิดๆหน่อยๆ น, นะความทุกข์ก็ลดลงไปตั้งเยอะแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะอันนี้นะอัศจ ร, ร์ธรรมะก็เป็นของอัศจ ร, ร์เราลงมือปฏิบัตินะเพียงเล็กน้อยกิเลส ท, ที่เคยแผดเผาในใจเราก็เบาบางลง ถ้าเราปฏิบัติได้มากๆเนี่ยวันหนึ่งใจมันคงมีโอกาสพ้นจากกิเลสเนี่ยเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์ตัวจริงเราก็จะเชื่อเลยพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจริงพระพุทธเจ้าสอนของจริงพระธรรมเป็นของจริงพระสงฆ์ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นความจริงเข้าถึงความจริงก็พ้นทุกข์เ้าใจมีความเชื่อนะมีศรัทธาแน่นแฟนขึ้นมาไม่ใช่ศรัทธาแบบ เล่นๆลื อ, ลอยลศรัทธาแบบไม่รู้อะไรเลยศรัทธาตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยศรัทธาพวกนี้กลับกรอกแต่ศรัทธาที่มันเกิดจากการที่เรามีสติมีปัญญาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้นะั่นมันเป็นศรัทธาแน่นแฟ้นจะรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ขึ้นมาจริงๆนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เราจเจริญสติให้มากครูบาอาจารย์สอนให้จเจริญสติให้มาก เรารักพระพุทธเจ้านะเราเชื่อมั่นในพระธรรมเราเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราจเจริญสติให้มากเราก็ขยันดูนะขนาดภาวนาเล็กน้อยจิตใจยังเปลี่ยนเลยเนี่ยมันมีแรงจูงใจมีฉันทะขยันดูวิริยะมันก็เกิดใช่หไหมอาศัยศรัทธาที่เกิดจากปัญญานํานะ่ะทําทให้เกิดความเพียรขยันภาวนาไม่มีใครใช้ให้ภาวนา ไม่มีใครครวบคุมไม่มีใครบังคับให้ภาวนามันภาวนาของมันเองมันทนไม่ได้หรอกมันต้องภาวนาเหมือนหลวงพ่อนะตั้งแต่เจอหลวงปู่ดูลมาขยันดูจิตท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตหลวงปู่ดูลสอนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตบางท่านท่านสอนให้ดูกายลูกศิษย์ที่ให้ดูกายรู้สึกจะเกยอะกว่าลูกศิษย์ดูจิตด้วยซ้ำไป นี่พอเราหัดดูจิตดูใจเราเห็นจิตใจของเราเนี่ยมันแปรปรวนตลอดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจนัก็เกิดได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นยิ่ยงได้รู้ได้เห็นนั้นยิ่งสนุกอ่ะสนใจสนใจที่จะดูมันก็เกิดความเพียรมิริยะเกิดขึ้นสัทธาก็ามากขึ้นมิริยาก็มากขึ้นการที่เราหมั่นรู้หมั่นดูนั้นเครื่องมือในการรู้ในการดูคือสตินั่นเอง ยิ่งขยันดูนะจำสภาวะได้แม่นสติก็ยิ่งเกิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วยิ่งรู้รู้ทันใจได้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะจิตยิ่งสงบจิตยิ่งตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นสมาธิมันก็มาอีกนะพอจิตสงบจิตตั้งมั่นทรงตัวอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นสภาวะธธรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมาาตอนนี้ไม่ใช่ดูจิตอันเดียวละนะ บางทีก <t in mind> <diminished> ็ดูกายบางทีก็ดูจิตแล้วแต่สติจะระลึกอะไรเราสั่งมันไม่ได้ว่าจะต้องระลึกอะไรมันเป็นของมันเองหรอกพอรู้ทันรู้ทันลงไปนะปัญญามันก็เกิดมันจะเห็นเลยว่ารูปธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับนามธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับรูปธรรมทั้งหลายก็อยู่ชั่วคราวนามธรรมทั้งหลายก็อยู่ชั่วคราวรูปธรรมทั้งหลายก็บังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนามธรรมทั้งหลายก็บังคับไม่ได้ อย่างจิตจะโกรธเนี่ยห้ามมันไม่ได้โกรธแล้วจะให้มันหายมันก็ไม่หายจิตจะทุกข์ก็ห้ามมันไม่ได้นะทุกข์แล้วจะไล่มันก็ไม่ไปอยากให้มีความสุขมันก็ไม่สุขนะอยากให้ความสุขอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่มีแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยตัวปัญญาปัญญามากเข้ามากเข้าจิตมันเห็นความจริงมากเข้ามากเข้าในกายในใจมันยอมรับมาถึงจุดหนึ่งมันยอมรับความจริงนะกายนี้ใจนี้นะเป็นของที่พึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้จริง ไม่ได้นำความสุขมาให้เราเหมือนที่เราเคยคิดเคยฝันไว้กายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นำความทุกข์มาให้อยู่ตลอดเวลานะสั่งให้ดีก็ไม่ดีนะห้ามชั่วมันก็จะชั่วสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขนะห้ามทุกข์มันก็จะทุกขนะ์อะไรเงี้ยใจยอมรับความจริงได้นะใจเป็นกลางกับมันก็จะรู้รูปธรรมรู้นามธรรม ท, ทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นกลางเรื่อยไปนะถึงจุดหนึ่งที่มันพอมันอิ่ม เหมือนเรากินข้าวกินไปเรื่อยมีหน้าที่กินร่างกายมันมีหน้าที่อิ่มของมันเองจิตนี้เหมือนกันเรามีหน้าที่เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเรื่อยไปนะจิตมันมีหน้าที่อิ่มของมันเองถึงจุดหนึ่งมันอิ่มของมันเองตอนหลวงพ่อภาวนานะนช่วงหนึ่งภาวนาไปอยู่วัดแห่งหนึ่งวัดบางนลำมอกในวัดบางนลำมอกเป็นวัดสาขาของหลวงปู่เทสสมัยก่อนน่ากลัวเปรี้ยวน่ากลัว ขึ้นชื่อลอชาเลยว่าผีดุมากเลยผีดุขนาดมีถ้ำถ้ำหนึ่งนะชื่อสัจจะคูหาชื่อเพราะนะสัจจะคูหาที่ชื่อสัจจะคูหาเนี่ยแต่เดิมไม่มีชื่ออย่างนี้หรอกมีแม่ชีคนหนึ่งนะนะลาหลวงปู่เทศนะพอไปอยู่บังน้ำมอกตั้งสัจจะจะอยู่ที่ถ้ำนี้เจดวันนะวันที่หนึ่งวันแรกเลยนะเห็นผีโผล่มาจากก้อนหินนะ โผล่มาจากดินนะแต่มันเป็นหินนะครึ่งตัวโผมันทําตาโปนๆใส่กลัวนะแทบจะกรีดแทบจะวิ่งเลยเป็นเราเราวิ่งใช่ไหมแม่ชีมีสัจจะไม่วิ่งเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วจะอยู่เจ็ดวันแกดูผีอยู่เจ็ดวันวนั่นแหละพอครบวันที่เจ็ดนะได้อารุณสว่างกรีดเลยนะวิ่งลงจากเขาโอ้ตอนเราฟังทีแรกเราก็ตั้งใจฟังนะโอ้เขาคงผ่านไว ก็เลยี๊ดวิ่งเลยวิ่งเลยไม่รู้ทางจะไปเลยนะไม่รู้ทางจะไปไหนเลยดีไปเจอเส้นทางเดินบนเขาวิ่งตามทางลงมาเข้ามาในวัดได้ดีไม่ตะเิดไปที่อื่นก็ล เ, เลยชื่อทําสัจจคูหา uh ให้เป็นเกียรติยศเจ็ด <laughs> วันแล้วถึงจะกรีดตามสัจจะเล่าไปถึงไหนแล้วมาเล่านิทานซะแล้ว <laughs> ลืมไปแล้วมนรู้เรื่องอะไรอออเข้าไปที่วางน้ำหมกนะมันในโรงครัวมีตู้หนังสืออยู่ล้วก็เข้าไปตู้นี้ฝุ่นเกลือเลยไม่มีใครอ่า น, นเปิดเปิดดูนะมีหนังสือเข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมไครแตง่งโอ้หลวงตาแต่ในปกไม่ได้เขียนว่าหลวงตาปกเขียนว่าท่านอาจารย์พระมหาบัว รุ่นน้อเรียกท่านอาจารย์นะรุ่นเราเรียกหลวงตาหนังสือท่านเนะี่ยแคสอนสอนเรื่องภาวนาเข้านิพพานอย่างนั้นอย่างนี้นะเสร็จแล้วพออ่านไปสักพักนะจิตมันบอกขึ้นมาจิตมันพูดได้นะใครเคยเ จ, เจอจิตพูดได้บ้างความจริงพูดทั้งวันแหละแต่พูดไม่มีเสียงรู้สึกไหมแต่บางทีมันพูดมีเสียงได้แปลกนะใครเคยเจอจิตพูดมีเสียง ยกมือเหน่อยยอกหมื่นหน่อย mm. โอ้เยอะมากเลยไปตรวจสมองบ้างนะ <c oughs> จิตมันพูดขึ้นมาเลยนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกนี่อ่านเรื่องนิพพานอยู่นะอยู่จิตมันสอนเลยไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตมันบรรลุของมันเองถ้าจิตมันเป็นอนัตตาแต่มันบรรลุของมันเองได้เมื่อศีลสมาธิปัญญาครบนะบริบูรณ เราก็รู้แลว้วเราสั่งไม่ได้แหละจิตจิตเองก็เป็นอนัตตาเมื่อเข้าใจขึ้นมาตรงนะี้แต่เดิมนะพยายามจะทําให้จิตของเราบรรลุมรรคผลนิพพานพอภาวนา ม, มาช่วงหนึ่งก็รู้เลยไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุของเขาเองเราทําเหตุได้แต่สั่งเอาผลไม่ได้เหตุก็คือฝึกไปจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาให้มากศีล ส, สมาธิปัญญาของเราบริบูรณ์แล้วเนี่ย จิตเขาจะบรรลุมรรคผลนิพพานของเขาเองะงั้นพวกเราก็มีหน้าที่น ะ, จะเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาฝึกทุกวันทุกวันวิธีฝึกให้มีศีลก็ตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนศีลหศีลที่ต้องตั้งใจรักษาเนี่ยเป็นศีนกลกระพร่องกับแกล้งแต่ว่าจําเป็นต่อมาก็หัดมีสติรู้ทันจิตถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันเราจะได้ศีลอีกชนิดหนึ่งชื่ออินเซียสังวรศีล ตามมองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันความยินดียินร้ายครอบงําจิตไม่ได้นะกิเลสจะครอบงาจิตไม่ได้จิตจะไม่ผิดศีลเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งทํางานไปเกิดความยินดียินร้ายที่จิต ให้มีสติรู้ทันนะนี้หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะนี่เป็นหลักการปฏิบัติที่สำคัญมากพวกเราจำแค่ ง, ง่ายๆเน่งให้ตาเมื่อตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกากระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งความยินดีๆร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทนันไม่ใช่ว่าเมื่อตาเห็นรูปเพ่งให้จิตนิง่ง หูได้ยินเสียงเพ่งให้จิตนิ่งห้ามยินดียินร้ายไม่ใช่นั่นไม่ใช่วิธีปฏิบัติถ้าจะทำวิปัสสนานะค่อยๆฝึกไปจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้เราคอยรู้ทันไว้อย่าไปบังคับให้มันนิ่งอย่าไปบังคับให้มันไม่เกิดปฏิกิริยานะพอเรารู้ทันมากๆเนี่ย เราจะเห็นในบางทีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็เป็นกุศลบางทีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลคนทั่วไปพอกุศลเกิดขึ้นในใจนะก็ไม่มีสติรู้ทันพระพุทธเจ้าสอนไว้เลยว่าคนไหนจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลอันนี้ดีเลิศคนไหนจิตเป็นกุศลยังไม่รู้ว่าเป็นกุศลนะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ดีนะคนไหนจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดี ไม่ใช่ไม่ดีวันไหนจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลอันนี้เล็วสุดๆเลยไม่พัฒนาละนะเพราะฉะนั้นขนาดจิตเป็นกุศลแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจิตเป็นกุศลนี่ท่านถือว่าใช้ไม่ได้นะถ้าจิตเรามีกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันว่ามีกิเลส ท, ท่านว่าดีใช้ได้นะเพราะ้เรามีสตินะคอยรู้ทัน กุศลอกุศลทั้งหลายหรือ ส, ส, สุขทุกข์ทั้งหลายทางใจเนี่ยเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งสิ้นเลยนะเป็นปฏิกิริยาทั้งสิ้นเลยเพรา ะ, ะนั้นเราคอยรู้ทันปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ใจเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตามรู้ตามดูปฏิกิริยาเน้นไปอย่างสบายๆถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะมันปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยว่าทุกอย่างชั่วคราว ก่อนจะเกิดปัญญาเนี่ยศีลมันก็เกิดละกิเลสเกิดขึ้นมาในใจรู้ทั น, นกิเลสครอบงำจิตไม่ได้มีศีลละความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจมีสติรู้ทันนะมีปฏิกิริยาเช่นเห็นสาวสวยใจก็ฟุ้งอยากตามไปอยากรู้จักชื่ออยากโน้อนอยากนี่น ใ, นใจมันฟุ้งขึ้นมารู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านดับจิตสงบนะได้สมาธิขึ้นมาเห็นไหมเราแค่รู้ทันจิตบ่อยๆนั่นแหละ ตัวที่ทําให้เราเสียศีลตัวที่ทําให้เราเสียสมาธิก็คือตัวกิเลสนั่นแหละแล้วมันลากออกไปถ้าเรามีสติรู้ทันนะรู้ทันจิตใจเรื่อยๆกุศลเกิดก็รู้อกุศลเกิดก็รู้ความสุขเกิดก็รู้ความทุกข์เกิดก็รู้พอเกิดแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรก็รู้ซ้อนลองไปอีกนะรู้ลงไปอีกสเต็ปหนึ่งไม่ได้จงใจรู้นะแต่มันจะรู้ได้เองเช่นความสุขเกิดขึ้น ตรงนี้ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลนะมีความสุขเกิดขึ้นอาจจะเป็นกุศลก็ได้หรืออคุศลก็ได้จิตบางดวงที่มีความสุขนี่เป็นอกุศลนะจิตที่มีโลภะนี่มีความสุขได้นะนี่ถ้ามีมีความสุขเกิดขึ้นแล้วมีสติรู้ลงไปเนี่ยจิตยินดีพอใจในความสุขเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราดูเข้าถึงจิตล้ใช้ได้เลยอันนี้รู้ทันปฏิกิริยาของจิตต่อความสุขอีกทีแรกปฏิกิริยาของจิตน่าตามมองเห็นรูปเกิดความสุข ความสุขเป็นปฏิกิริยาของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปพอสติเรารู้ทันว่ามีความสุขจิตเกิดปฏิกิริยาอีกยินดีพอใจในความสุขรู้ว่ายินดีพอใจแม้เรารู้ทันปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจเราเนี่เอเห็นคนขับรถปาดหน้านะโกรธไหมตามองเห็นคนขับรถปาดหน้าเกิดปฏิกิริยาที่จิตคือโกรธ ความจริงก่อนจะโกรธนะมีอีกหลายสเตปเลจิตทำงานตั้งหลายขั้นกนะ่าจะโกรธไม่ใช่โกรธง่ายนะก่าจะโกรธนี่จิตเดินตั้งหลายระดับนี่สมมุติเอาง่ายๆเมื่อตามองเห็นเห็นเขาขับรถปาดหน้าความโกรธเกิดที่จิตความโกรธเป็นปฏิกิริยาของจิตเมื่อมันไปรู้การปาดหน้านั้นเข้าไปเห็นการปาดหน้า้านะเราก็รู้ทันว่าจิตโกรธ พอจิตโกรธแล้วจิตมันอยากให้หายโกรธนี่นักปฏิบัติอยากให้หายโกรธรู้ทันว่าไม่เป็นกลางกับความโกรธแล้วนะอยากให้ความโกรธหายไปความอยากให้ความโกรธหายไปนี่เป็นปฏิกิริยาของจิตต่อความโกรธใช่ความโกรธเป็นปฏิกิริยาของจิตต่อภาพที่เห็นเขาขับรถปาดหน้าให้เรารู้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆในใจของเรานะรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ทั้งหมด ถ้าพยายามรู้ทั้งหมดจะกลายเป็นการเพ่งการจ้องมันเกินสติเกินปัญญาที่เราจะทําได้เพียงแต่หัดรู้บ่อยๆมันจะรู้ได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นรู้ได้กว้างขวางลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับไปนะฝึกอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปงั้นไหนๆก็วันเอ๊ะวันนี้ยังไม่สุดท้ายสิเกือบๆนะไปฝึกหนะเอาหลักตัวนี้ให้ได้นะเมื่อตามองเห็นรูปนะปฏิกิริยาต่างๆหรือความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทัน นะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะเกิดปฏิกิริยาขึ้นที่จิตเกิดยินดียินร้ายขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อจิตมันคิดนึกปรุงแต่งไปเกิดปฏิกิริยาขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเช่นคิดถึงคนนี้เกิดโกรธขึ้นมารูว้ว่าโกรธมีไหมอยู่ๆนึกถึงหน้าคนหนึ่งอยู่ๆหน้าคนคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาทั้งๆที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดใครๆเป็นว่านะไม่เป็นก็ประหลาดละ เป็นทุกคนแหละแต่จะรู้หรือไม่เท่านั้นเองเป็นทุกคนนะอยู่ๆก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้คิดจะนึกนะมันนึกอยู่ๆมันก็เหวี่ยงข้อมูลตัวนี้ออกมาจากฝังกระจิตปลัุวออกมานะคิดถึงคนนี้ได้ปุ๊บนะัโกรธมันเลยนะอย่าสมมติผู้หญิงนะสามีทิ้งไปนะลืมมันไปตั้งหลายปีแล้วอยู่ๆนึกหน้ามันขึ้นมาได้เกลียดมันขึ้นมาอีกมีไหมมีไหมผู้หญิงอย่าพยักหน้านานะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะว่าสามีทิ้งนะ นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละนะหรือใครเคยถูกโกงแชร์บ้างมีไหมมีไหมใครเคยถูกโกงแชร์มีเหมือนกันนะ <c oughs> เห็นไหมพอนึกถึงแล้วมันโกรธเห็นไหมนึกถึงเนี่ยเป็นเรื่องการทํางานทางใจใช่ไหมกระทบด้วยใจไม่ได้กระทบด้วยตาไม่ได้เอาตาไปนึกถึงไม่ได้เอาหูไปนึกถึงแต่กระทบด้วยใจใจมันปรุงขึ้นมาด้วยสัญญานี่ยเอง สัญญาพลุงขึ้นมานะเกิดปฏิกิริยาทางใจเกิดโกรธนึกถึงคนนี้ขึ้นมาเกิดความรักคนไหนมีแฟนใหม่ๆห่บ้างยกมือให้หลวงพ่อดูสิมีไหมหรือมีแฟนเก่าๆหรือไม่มีปัญญาหา <c oughs> ตรงใจหน้าตาเก่าๆอย่างเงี้ยคงแฟนเก่าๆ <c oughs> เวลามีแฟนใหม่ๆนึกถึงนึกออกไหมคนไหนเคยมีความรักอา้าวคนไหนเคยมีความรักบ้าง นี่แม่ชียังมีเลยนี่แม่ชีนีใจเด็ดเนาะก็ะห้ามไม่ได้หรอกก็มันจะมีอะโอหักดีกว่ารักไม่เป็นเวลามีความรักใช่ไหมช่วงแรกๆที่มีความรักเราคิดถึงบ่อยนึกออกไหมคิดถึงแล้วรู้สึกเป็นไงรู้สึกความรักก็เกิดขึ้นในขณะที่ไม่ได้คิดน่ะไม่ได้รักนึกออกไหม เพราะงั้นถ้าไอ้หนุ่มคนไหนมันบอกเราว่ารักเรานี่รันดอนรักตลอดเวลาชี้หน้ามันไปเลยบอกว่าหลวงพ่อประโมทบอกว่าพูดแบบเนี้ยพูดเท็จเป็นไปไม่ได้มันจะรักขึ้นมาได้ตอนที่มันคิดนึก อ, ออกไหมเออมันรักได้ตอนที่คิดมันโกรธได้ก็ตอนคิดอย่าสู้ว่าเรากำลังรักใครสักคนนะหวานแหววเลยพาแฟนนี่แหละไปเดินช้อปปิง้งเกิดปวดเอือกทันหาหน่ะ วิ่งหาห้องน้ำไม่เจอขนาดนั้นรักแฟนไหมเธอจะมายุ่งกับฉันนะฉันจะรีบ<笑><笑>นึกออกไหมมันอยู่ที่ใจใช่ไหมใจมันเกิดปฏิกิริยาต่อความคิดการที่คิดเอาเนี้ยเป็นการทำงานทางจิตทางใจใใจมันคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมามันเกิดปฏิกิริยารู้ทันปฏิกิริยานี้อีกนะเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติง่ายๆนะหัดดูจิตดูใจเนี่ย เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตนะความรู้สึกหรือปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันรู้เฉยๆนะไม่ไปแทรกแซงแต่ถ้าพอรู้แล้วจิตเกิดปฏิกิริยาอยากแทรกแซงอีกให้รู้ทันเข้าไปอีกนี่เกิดปฏิกิริยาซ้อนนะซ้อนเข้าไปก็รู้ทันลงไปอีกหัดรู้อย่างนี้เรื่อยไปนะถึงจุดหนึ่งนะสีนสมาธิปัญญาจะแก่กล้าขึ้น เพราะการที่เราคอยรู้ทันปฏิกิริยาของจิตเรื่อยๆเนี่ยกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้ศีลมันก็เกิดการที่เราคอยรู้ทันอยู่ที่จิตไม่ร่อนเร่ไปที่อื่นนะจิตจะสงบลงไปจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อยู่ที่จิตนะเพราะงั้นมีสตินะมันก็มีศีลมีสติแล้วก็มีสมาธินะมีสติรู้ทันจิตเนี่ยก็จะได้ศีลมีสติรู้ทันจิตจะได้สมาธิอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะการรักษาศีลต้องรักษาที่จิต สมัยพุทธกาลก็มีพระเวลาพระพุทธเจ้านะลาศึกบอกไม่สามารถรักษาพระวิไนยได้เพราะเยอะเหลือเกินพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารักษาข้อเดียวได้ไหมท่านบอกถ้ารักษาข้อเดียวนะท่านจะบวชต่อท่านบอกให้มีสติรักษาจิตไว้แค่นี้แหละศีลท่านเกิดอัตโนมัติเลยะมีสติรักษาจิตนะได้ศีลอัตโนมัติเพราะรักษาจิตมีสติรู้ทันจิตเรื่อยๆไปจิตสายออกไปรู้รๆ ร, รู้ไปเรื่อยนะ จะได้สมาธิอัตโนมัติจะตั้งมั่นขึ้นมาด้วยแล้วการที่เรามีสติรู้ทันปฏิกิริยาของจิตไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นในปฏิกิริยาทั้งหลายนะั้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ตั้งแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะการที่เราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแล้วก็ดับนั่นแหละคือตัวปัญญาพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเพราะฉนั้นการที่เรามีสติรู้ทันจิตใ จ, ใจตัวเองไปเรื่อ กระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาดูจิตไม่ใช่ดูแต่จิตอย่าเข้าใจผิดนะดูจิตนี้ใช้ชีวิตธรรมดาตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกกลุงแต่แต่ว่ามันเกิดปฏิกิริยาขึ้นที่จิตแล้วค่อยรู้ทันตัวนี้นะไม่ใช่ดูจิตคือจ้องอยู่ที่จิตรักษาเฝ้าอยู่ที่จิตไม่ให้เคลื่อนไปไหนไอ้นั้นไม่ใช่การเจริญปัญญาและเป็นการเพ่งจิตเป็นสมถกรรมฐานเพ่งจิตจะไปอารูปนะไปเป็นอรูปฌาน ไปเป็นอรูปประมถ้าตายไปแล้วเป็นอรูปประมเพราะฉะนั้นหลักของการดูจิตง่ายๆนะแต่ว่าจะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตนะนี้หลักการปฏิจจบัติอันนี้ไม่พ้นหรอกนะที่หลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตดูจิตเนะี่ยมันมี2 อ, อย่างซ้อนกันอยู่อันแรกดูจิตเป็นจิตตะศิขาจิตตะศิขาทุกคนต้องเรียนไม่ว่าจะมาจากสำนักไหน เพาบทเรียนของพระศาสนานศะีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าเรียนรู้เรื่องจิตจะได้ศีลได้สมาธิขึ้นมานะเพราะฉะนั้นต้องเรียนเรื่องจิตก่อนพอถึงขั้นจเจริญปัญญาเนี่ยบางคนเริ่มจากกายบางคนเริ่มจากจิตบางคนเริ่มจากเวทนาได้ทั้งนั้นเลยแล้วแต่ถนัดนะบางคนถ้าเริ่มจากกายต้องทําสมาธิก่อนถ้าทํารู้กายรู้เวทนาไม่มีสมาธิหนุนหลังจะรู้ได้ไม่ดีจิตจะฟุง้งซ่าน ถ้าจะดูจิตก็ดูทำทรมานุปัสสนานี่ไม่ต้องทำสมาธิก่อนใช้ปัญญานำสมาธิจะเกิดภายหลังดูจิตจะเกิดสมาธิได้ไหมหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูนะไม่ได้ถามท่านอ่ะคือท่านบอกว่าจิตหลวงพ่อเป็นสมาธิหลวงพ่อบอกท่านบอกว่าขณะนั้นนะผมดูจิตนะผมไม่ได้ทำสมาธิท่านบอกดูจิตจะได้สมาธิอัตโนมัติท่านบอกอย่างนี้นะ เนี่ยแล้วทุกวันนี้ตัวมาสอนพวกเราเต็มปากเต็มคำนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแค่เรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านมันก็สงบแล้วก็ได้สมาธิขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะบางคนใช้สมาธินำปัญญาคือใช้สมาธิทําสมาธิจิตสงบตั้งมั่นก่อนมาดูกายดูเวทนาบางคนใช้ปัญญานำสมาธินะคือมีสติรู้ทันจิตรู้ทันธรรมารมธรรมานุภาสนาะสภาวะธรรมรู้ทันสภาวะธรรม รู้ทันเข้าไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลังบางคนคนพิเศษทําสมาธิกับปัญญาควบกันนะอันนี้คนพิเศษต้องชํานาญในการเข้าฌานและชํานาญในการดูจิตจะทําได้2 อ, อย่างนะพวกนี้ออกมาจะส่วนมากจะเป็นที่เรียกว่าอุปโตภาควิมุตนะไม่ใช่พวกปัญญาวิมุติเจโตวิมุตนะจะเป็นอุปโตภาควิมุตเก่งหลายอย่างนะเราเอาให้มุดหนึ่งก็เอานะ อย่ถึงอุปตโตภาคเลยเอาให้มันได้สักอันหนึ่งก็เอาเอาเชิญไปทานข้าวจำหลักได้ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินะจบแล้วรู้ทันจิต